ก็ขโมธานากับพวกเราทั้งหลายนะที่ตั้งใจในการที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในการศึกษาคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทั้งที่แล้วก็พูดในเรื่องของพุทธคุณก็จะดําเนินตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าโในการสรรเสริญคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านะี่ก็ในการสรรเสริญ ในในการที่จะมาไถ่ควรพิจารณาพุทธคุณทั้งเก้าบทดังที่ได้กล่าวเนี่ยนยในคำพีวิสุขีมากประดีในปฏิสัมพิธามักก็กล่าวไว้ในแม้แต่ในสารถาทีปณีดีกาเพวานไในหรือตลอดถึงในพระตรปิดกทั้งสิ้นเนี่ยที่จะไม่มีการสรรเสริญพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเต็มไม่มีเลเยท่านก็จะสรรเสริญไว้ค่อนข้างมาก ถ้าคุณทั้ง๙ประการของพระพูทธมียพระเจ้าที่สั้นสรรเสริญเขาไว้นั้นก็คือว่าแท้จริงคุณของพระเจ้ามีมากเลยแต่ท่านก็มาย่อๆไว้แบบ๓บ้างแบบ๙บ้างเลยถ้าแบบพระพุทธคุณ๓ประการก็คือว่าพระมหากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระปัญญาคุณพระพุทธคุณทั้ง๓ประการนี้เป็นรากเงาเขามูลให้บังเกิดพุทธคุณทั้งปวงนับประมาณนี้ได้ พระคุณนั้นประเสริฐยิ่งเพราะทำให้เวนัยสั์ตลอดถึงทำให้บุคคลที่ได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นสามารถที่จะใครควรพิจารณาและก็ตัดสู้ตามพุทธคุณต่างๆเหล่านั้นได้เป็นต้นพระบราณอาจารย์ทั้งหลายเวลาจะแต่งคำพีก็จะกล่าวนอบน้อมพระผู้เมียภาคเจ้าใช่มแม้แต่ พระสุมังคราจารย์เป็นต้นเนที่ท่านรัชนากัมพีท่านก็จะกล่าวนอบน้อมคุณของพระพุทธเจ้าก็าไว้ที่บอกว่าวิสุทธากรุณาญานางพุทธังสัมพุทธภูชิตังธรรมสัตธรรมะสัมภูตังนัตวาสังคังมีรังคนาถ้าเขาสาทะยายเปน็นนนท์ก็จะบอกว่าวิสุทธากรุณาญาัง พุทธังสัมพุทธภูชิตังนัมังสัทธรรมสัมพูตังนตวะสังฆนิรังคานังเนี่ยพระพุทธเจ้านี่หมายถึงว่าขอนามสัส ก, การพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณพระธรรมอันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงบูชาแล้ว พระสงฆ์ผู้เกิดดีแล้วแด่พระศัทธธรรมผู้ทรงมีกิเลสเพียงดำเนินไปปราบแล้วเนี่ถ้าถามว่าพระพุทธพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณเป็นบ่อเกิดแห่งพระพุทธคุณทั้งปวงเลยทีนี้เมื่อพระผู้มีพระาเจ้ามีพระคุณแล้วเนี่ยพระธรรมอันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงบูชาพระพุทธเจ้าท่านใคร่ควนนะ ใคร่ควญตลอดถึงในจักรวาลทั้งสิ้นถึงบุคคลที่พระองค์จะอยู่ในฐานะที่พระองค์ทรงจักบูชานั้นจะเป็นใครก็หาบุคคลที่พระองค์จักบูชานั้นไม่นะก็มาดูถึงพระธรรมที่องค์พระองค์ทรงตัดสรู้นั่นแหละฉะนั้นพระธรรมนั้นแหละพระองค์ทรงบูชาแล้วเป็นต้นฉะนั้นพระองค์จึงบูชาพระธรรมใช่ไหมทรงบูชาพระธรรมแล้วพระธรรม นั้นเน่ยหรือพระสัตธรรมเก่าคือมรซีผลซีหรือนิพานหนึ่งเนี่ยนะตลอดถึงพระประยะิยัติธรรมหนึ่งรวนรวมเป็นพระสัตธรรมสิ ป, ประการนี้พระธรรมเหล่านี้เนรมิตรท่านผู้ใดจากบุรุชนให้เป็นพระญาบุคคลพระธรรมเหล่านั้นเน่ยท่านจึงเรียกว่าพระธรรมนั้นเนรมิตแล้วอย่างเราต่านทั้งหลายที่ยังเป็นบุรุชนยังหนาแน่นไปด้วยราคะโทสาโมหะ ได้มาหน้าทีท่ขีดวิจิกิจขาอินทริกานุตปาละอุทะจา่าเนี่ยอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นบุคคลที่พระธรรมยังไม่ได้เนรมิตก็เลยเป็นบุคคลที่ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ถ้าตราบใดวันใดวันหนึ่งเนี่ยพระธรรมเหล่านั้นเนรมิตท่านผู้ใดแล้วเนี่ยท่านเหล่านั้นก็จะเป็นบุคคลที่มีความบริสุทธิ์กายกรรมก็บริสุทธิ์วจีกรรมก็บริสุทธิ์โดยเฉพาะมโนกรรมเนียแม้ความคิดทางใจนั้นก็บริสุทธิ์ ปราศจากทุจริตต่างๆนีและปราศจากกิเลสกล่าวคือราคาโทสะโมหะเป็นต้นนั้นน่ยไม่ ก, กุ้มรุมในกระแสใจของท่านเหล่านั้นแล้วและในที่สุดจริงๆว่าท่านเหล่านั้นหมดเชื้อใช่ไหมหมดเชืออ้อจากการที่จะเป็นไปในสังสารวัฏท่านเหล่านั้นก็ดับสงบแล้วก็เย็นปริยิพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิอดอีกแล้วฉะนั้นจึงเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์อย่างนี้ฉะนั้นพระธรรมนึนกถึงเนรมิตรพระธรรมเนรมิตร ถามว่าการที่พระธรรมเจนเนรามิทขึ้นนั้นน่ะคิดเองเรามในรมพระธรรมก็จะสามารถที่จะคิดเองแล้วเนรามิทขึ้นได้โดยไม่ต้องฟังจาก บ, บุคคลอื่นเนี่ยมีสองกลุ่มก็คือพระพุทธเจ้าและพระปเจ ก, กับพุทธเจ้าในบุคคลสองกลุ่มเนี่เขาเรียกว่าพระธรรมนั่นเนลมิทแต่พระธรรมกว่าเจนเนรามิตบุคคลสองกลุ่มนี้ได้เนี่ยต้องสองอสงไขสีสอสงไขเป็นต้นอย่างเงี้ยยิ่งไปแสนมหากับ นั่นบุคคลเหล่านี้ต้องภาคเคียนพยายามผ่านาพระเจ้ามาอย่างนับพบนับชาติไม่ถ้วนฉะนั้นกระแสขันของบุคคลเหล่านั้นได้เข้าเป้ า, าพระเจ้ามาอย่างยาวนานและไม่ได้เข้าเป้าแบบประเภเป็นคนหนวกคนใบใช่ไหมหรือคนบองแต่ว่าเป็นบุคคลที่เข้าเป้าโดยประเภทที่ว่าตั้งใจในการที่จะทารุตัสรู้ก็ตั้งอัธยาศัยในการที่จะไปรู้ธรรมเนี่ยบุคคลเหล่านั้นก็มีโอกาสในการที่จะตัสรู้ตาม พระธรรมของพระผู้มีพระภาคจาตรงนั้นเนีจยเขาเรียกว่าพระธรรมเนรมิตขึ้นใช่ไหมพระธรรมเนรมิตขึ้นถ้าหากว่าไปดูเกี่ยวในเรื่องของคำว่าเอกายโนยังพิกเวมโคเป็นต้นบอกว่าทางสายนี้เป็นทางสายเดียวไม่ใช่ทางสองสายไม่ใช่ทางสองแพ่งเป็นต้นแต่ว่ามรคนั้นนถามว่าพระศาสดานั้นทรงรู้มรฉลาดในมรแล้วก็สามารถที่จะ คือทำมรด์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นใช่ไหมทำมรด์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นไอตรงเนี้ยบางทีก็บอกว่าเอมรด์นี่เป็นของเก่าตรงนี้เขาก็มาถกกันว่าเอ๊มรด์เป็นของเก่าอยู่แล้วพระเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยพบมาเนี่ยนะแม่พระเจ้าองค์ปัจจุบันนี่ก็ว่าพบมรด์พบทางสายเนี่ยแล้วอยู่ต่อมาก็บอกว่าอารีมรด์เนี่ยแต่อยู่ต่อมาก็บอกว่าอารีมรด์เนี่ยถ้าทํามเนรมิตขึ้น เออมาขอไปอริยมาร์เนี่ยเป็นหนทางเนี่ยเป็นหนทางที่เป็นหนทางที่พระพุทธเจ้าแต่ก่อนไม่เกิดแต่มาทําให้เกิดขึ้นเนี่ยนี่มันจะขัดแย้งกันหรือไม่ใช่ไหมเพราะทีแรกก็บอกว่าเป็นของเก่าพอมาอทีก็บอกว่าพระพุทธเจ้าอปัจจุบันเนี่ยทำาร์กที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นก็หมายความว่าเป็นคนศาสางมาร์กนั้น แล้วก็สามารถที่จะเปิดเผยมัดนั้นให้บุคคลได้รู้ได้เข้าใจเป็นต้นเหล่านี้ยตรงนี้ท่านก็นมาสรุปให้ฟังบอกว่าแท้ที่จริงเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าปกติเนี่ยมัดเนี่ยเป็นของเก่าก็หมายความว่าเป็นของที่พระเจ้าองค์ก่อนๆเคยพบมาทั้งนั้นเมื่อพบแล้วก็ทําให้บุคคลอื่น ได้เดินตามเส้นทางนี้แล้วก็พ้นจากชาติชราพยาธิมรณะพนะ้นจากความโศกความร่ำไรลํราพังใช่ไหมแต่ของเก่าเนี่ยถูกกลบมานานเมื่อพระบรมศาสดาเ ส, สด็จดับขันธปรินิพานแล้วเนี่ยทางอันนี้ก็ถูกปิดสนิทลงเมื่อทางนี้ถูกปิดสนิทลงเนี่ยโดยโดยชนิดที่สังสารวาัตรให้มันยาวนานหาเบื้องต้นและที่ที่สุดไม่พบเนี่ย แต่อยู่ต่อมาก็มีบุรุษใจเพชรได้ปรารถนาในการที่จะตัดสู้นุตตะสาสมาสโพจิยานก็บ่มเพาะบา ร, รมีมาอย่างยาวนานเมื่อพระองค์เนี่ยสั่งสมอัจฉริยาสายมีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคทาปัญญาวิริยสัจทันติสัจทิฏฐานเมตตาและกูเบกขาเนี่ยอุปบา ร, รมีสิทธิบารมีธรรมีสิทเนี่ยอย่างยาวนานอย่างช่ําชองจนสามารถจนสามารถนั้นเนี่ย คนพบอาริยมรรซึ่งถูกปิดมานานจากการทับถมของสัตว์โลกทั้งหลายที่ไม่เห็นสัจจค ก, กเท่านี้ท่านพระองค์จึงเป็นบุคคลที่เปิดเผยคนแรกในกลับนั้นนั้นในในช่วงแห่งที่พระเจ้าในพุทธันดร น, นั้นนั้นทพทะเจ้าบัดเกิดเป็นมา ฉะนั้นโนริเจ้าจึงบอกว่าเป็นผู้ที่ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นก็เหมือนกับทางนี่นะแต่ก่อนนั้นถูกปิดมาอย่างยาวนานไม่มีใครรู้เลยว่ามีทางอยู่ตรงเนี้ยแต่มีบุคคลคนหนึ่งมีตาดีมีความสามารถก็สามารถแผ่วทางทางแล้วก็ขุดทางตรงนี้เจอแล้วก็ทําทางเนี้ยให้คนนั้นไปสู่ความพ ท, ทุกจากการที่เขาหลงทิศหลงทางกันมาอย่างยาวนานฉะนั้นพระเจ้านั้นจริงอยู่ในฐานะว่า เป็นผู้ทำรรมรที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำรรมรที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะให้เป็นหนทางในการแล้วก็เป็นผู้นำให้กับเวนยศาสตร์เวน ย, ยชนทั้งหลายให้เดินตามมรเดินตามปฏิปทาเนะนี่เข้าใจอย่างนี้นะนั่นในข้อนี้ฉะนั้นแต่บอกว่าพระพุทธสองคำนี้ไม่ขัดแยง้งไยบอกมรนี้เป็นของเก่าใช่ไหมใช่จะจุกปิดมันหน่อยแม้พระบรมศาสดา ข, ของเราองค์นี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ตอนนี้จะไม่มาบอกทีปังกรโกโกูสันโทโกนา้าโนกันสปาะ้าพระกัสปาะสมมาสมาสุตรเจ้าครบท่านปรินิพานไบเบ็เสร็จแล้วแล้วโลกก็มืดใช่อย่างยาวนานเลยอะโลกใบนี้ก็ปิดหมายความว่าสัตว์โลกทั้งหลายสังขารและโลกก็สัตวโลกเนี่ยก็ก็ไม่เห็นสัจจะแต่ต่อมาพระบรมศาสดาของเราองค์ปฏิบัติสร้างบารมีมาครบ ยีส่สิบผสมขายยี่งด้วยแสนหากับมาตักรูในยุคนี้ในสมัยนี้ก็สามารถมาค้นทางได้เขาที่บอกว่าทางนี้เนี่ยพุทธพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ทําทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าฉลาดฉล า, าดในทางตรงนี้แล้วก็บอกเราท่านทั้งหลายว่าเนี่ยทางสายเนี้เป็นทางสายเดียวเท่านั้นที่จะพ้นจากสังสารวัฏได้ทางที่พวกเดินกันอย่างพวกเธอเดินกันอย่างเยอะแยะไปหมดเนี่ยทางเหล่านั้นไม่สามารถจะพ้นจากการเกิดได้ เนี่ยเราคิดไปความคิดของเราเนี่ยพ้นจากการเกิดไม่ได้หรอกความคิดของเราก็พ้นจากความแก่ไม่ได้ความคิดของเราก็พ้นจากความเจ็บไม่ได้ความคิดของเราเนั้นก็พ้นจากความตายไม่ได้เพราะเรานั้นไม่ฉลาดนี้มะไม่สามารถจะคิดพ้นทางการหลุดพ้นได้เองได้แต่ถ้ามาศึกษาพระรพธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเดินตามที่พระพุทธเจ้าทรงบอกแล้วเนี่ยเราจะพ้นจาก ชาติ ค, คือความเกิดชลาคือความแก่ปยาที่คือความเจ็บไข้แล้วก็มรณะคือความตายเป็นต้นมองเห็นยไหมเนี่ยเนี่ยคือพระพุทธเจ้าถามว่ากว่าที่พระองค์เนี่ยนะจะคิดหนทางนี้เนี่ยจะสามารถมีตายานคือปัญญาไปวิจัยทางนด้เองอย่างนี้ได้เนี่ยถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นแค่พระละหันนะเป็นแค่พระละหันก็สามารถบอกคนอื่นได้เนี่ยแช่ไม่ใช่ สามารถที่จะบอกคนอื่นได้แล้วก็สามารถทําให้คนอื่นบรรลุได้ไม่เห็นมีความยำเบนที่จะต้องบาดบาศาสนาเป็นเพื่เจ้าเลยถ้ามีประเด็นตรงนี้มาัะว่าไงก็ต้องบอกว่าข้อมูลเนี่ยถ้าถามว่าให้สังเกตุไหมระดับภาษาวก็ดีถ้าประเภทที่ฟังแล้วตัดสู้เองเนี่ยนะฟังเออฟังแล้วตัดสู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ย ใช้ความใช้บารมีก็ไม่มากเริ่มตั้งแต่ทานศีลเนคธมะปัญญายไม่มากระดับเหมือนมุรุเรย่าแต่ถ้าหากว่าคิดค้นเองมาเป็นตามลำดับใช้เวลาอย่างยาวนา น, นทุกแง่ทุกมุมรู้หมดงั้นวิธีในการที่จะแสดงพระธรรมให้ตามอัธยาศัยให้ตามจริ ให้ตามเกี่ยวกัปในเรื่องของอปุปฏิสัยของสัตว์เนี่ยนะแต่ละบุคคลนะั้นจึงจึงมีวิธีอุบายค่อนข้างเยอะมากจากการสั่งสมมาอย่างยาวนานเนยอะสั่งสมอย่างยาวนานแล้วยังไม่พอแล้วไปคิดเองเนี่ยก็จะคิดเองแล้วบรรลุเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะถ้าการฟังคนอื่นมาแล้วบรรลุเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ฟังคนอื่นไหมฟังรู้แนวทางหมดไหมรู้ รู้พระเจ้าแต่แล้วพรองค์ไม่สอนอะไรไม่รู้บทรู้แม้แต่ทั้งว่าทีนี้การรู้เนี่ยถ้าพระเจ้าสอนยอ่อท่านก็สามารถรู้พิสดารได้แต่พิสดารของระดับภาษ า, าไม่เท่าพระเจ้าไหมก็ไม่เท่าเห็นไหมคือท่านต้องการสร้างบารมีให้เท่าว่าพระเจ้าในใจท่านรู้แค่ไหนเราก็อยากจะรู้เท่าที่พระเจ้ารู้นั่นแหะอยากจะรู้ตรงนั้นอ่ะ ปรารถนาจะรู้ตรงนั้นน่ะเช่นพระองค์เหมือนเราเงี่ยนะนั่งสนทนากันเนี่ยว่าเนีคนคนนี้ที่เขาพูดออกมาแค่เนี้ยเรื่องในใจเนี่ยข้อมูลเขาเท่าไหนเท่าเท่าไหร่กันแน่เนี่ยใช่ไหมใช่เพราะคนเราเนี่ยบางทีรู้ร้อยเนี่ยนำเสนอได้สิบแค่นั้นน่ยได้สิบเปอร์เนต์แค่นั้นน่ยรู้ร้อยหนึ่งเนี่ยรู้เสนอได้สิอร์ซนแค่นั้นเองไอ้เสนอได้เต็เต็มห้องหัวใจเนี่ยยากมากใช่ไหมใช่เพราะปริมาณการการนําเสนอ ไม่เป็นอะไรอีกเยอะแยะหมดแต่ว่าระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ท่านนาเสนอไม่เป็นนะท่านนาเสนอมากเนี่ยคนฟังรับไม่ไหวเพราะปริมาณใช่ไหมปัญหาคือว่าแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนที่นั่งอยู่เนี่ยถามว่าพระพุทธมศาสดาจักแสดงธรรมเนี่ยเออจักแสดงยังไงให้เหมาะใช่ไหมคนกินอาหารนั่งร่วมวงเดียวกันยังกินไม่เท่ากัน และสภาวะของปัญญาแต่เราบุคคลจักเท่ากันได้อย่างไรและอัธยาศัยจักเหมือนกันได้ยังไงทีนี้ถ้าไม่ใช่พระเจ้าจักรู้ขนาดนั้นไหมหรือถ้ารู้จักมีภาวจนะวิราชยังไงจะมีพยานวิราชยังไงจะมีภลิตวิราชยังไงจะมีปฏิหารวิราชยังไงในการที่จะทำให้มีความเหมาะเจาะหรือเหมาะสมกับอัธยาสัยซึ่งเราทำไม่ได้แต่พระเจ้าทาได้ คือสามารถที่จะพูดพร้อมกันแต่ให้เป็นคนละเรื่องได้มันไม่ใช่ไม่ใช่คนปกติทําได้แล้วใช่ไหมเช่นคนคนหนึ่งเนี่ยชํานาญเรื่องทานคนคนหนึ่งชํานาญเรื่องศีลคนคนหนึ่งชํานาญเรื่องภาวนาคนคนหนึ่งชํานาญมากในเรื่องของกายาคนหนึ่งชํานาญในเรื่องเวทนาท่านคนหนึ่งคือด้านจิตตาหรือปรัชนาด้านหนึ่งคือด้านธรรมน แต่พูดใช้ภาวนะพร้อมกันให้คนต่างมุมมองพูดแล้วเข้าใจกันคนละเรื่องดันไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหมต้องมีพระญาณวิราชมีภาวจนะวิราชต้องมีผลิตที่วิราชต้องมีรู ป, ปรกายที่วิราชแค่นั้นจะต้องมีความสามารถขนาดนั้นนั่นไงจึงเป็นที่มาขอาการบอกว่าเราตัดสู้แล้วจะทําให้บุคคลอื่นตัดสู้ด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วย เราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยถ้าอย่างเราเนี่ยมาก็ต้องฟังแค่เรื่องเดียวใช่ไหมแล้วในฐานฟังเรื่องเดียวแน่นอนเราก็รับได้ไม่เท่ากันนอกจากรับได้ไม่เท่ากันเรายังไม่รู้เลยว่าอัธยาศัยของผู้พูดเออท่านรู้เท่าไหร่เนี่ยหรือหรือท่านมีข้อมูลหรือไม่มีเนี่ยเราก็ไม่ทราบแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาเห็นพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ว่าโอ้โหขนาดนี้เลยนะ ถ้าเห็นความงานของรูร ป, ปกายเช่นนี้ท่านก็ยังไปถึงกรรมแล้วว่ากรรมอะไรเนอ้อท่านคนนี้ทําวิจิตขนาดนี้ถ้าเห็นคําพูดแต่ละคําพูดเพราะวจนะแต่เพราะวาจะน ะ, ะ, ะ, จะนะท่านก็ยังไปถึงกรรมสัตตาแล้วว่าเออแน่ดีแต่การในี่ท่านเหล่านี้ทํากรรมอะไรมาจึงมีคําพูดถึงบางนนี้ฉะนั้นท่านตรวจสอบเบเสร็จแม้พระวจะนะและคําพูดที่ออกมาพระทําที่หลังไหลออกมาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาที่ท่านได้ฟังพบเนี่ย ท่านก็เห็นความวิจิตพิสดารของภาวนะที่มีกระแสจิตก่าวคือสพัพพยุตยานั้นเป็นตัวขับเคลื่อมนมาอนี้ท่านเข้าใจว่าโอ้โหสพัพพยุตยานี้ไม่ใช่ธรรมดาฉะนั้นสิ่งตรงเนี้ถ้าได้สพัพพยุตยา น, นี่จับขนสัตว์หรือสัตว์ได้จะช่วยสัตว์ได้จะสามารถแสดงธรรมเป็นไปตามอัธยาศัยของสัตว์ได้และจะกระชาตใจสัตว์ท่านให้รู้จักวัตถุกรรมกิเิสกรรมเป็นต้นได้แล้วก็ท่านก็คิด ก็คิดอย่างเงี้ยความรู้สึกว่าหน้าปราถนาเป็นพระเจ้าก็เกิดอัยารัยในการที่จะปราถนาเป็นพระเจา้าในการที่จะดึงสัตว์โลกนั้นในพ้นจากว่าจะทุคือชาติชราพยาธิมรณะเป็นต้นก็เกิดขึ้นฉะนั้นวิธีกระแสจิตของท่านที่ปราถนาสิ่งที่ใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยท่านก็ก็คิดอย่างเงี้ยท่านก็ปรารถนาในการที่จะเดินในการที่จะฝากปันอุปสรคในการที่จะเดิน ผูกบารมีศึกไว้ในตนผูกสัตว์ไว้ในตนนั่นทีแล้วก็เดินในการสร้างบารมีโดยไม่เท้อโดยไม่เท้อทีนี้ถ้ากลุ่มใครก็แล้วแต่ที่มาเกิดร่วมเป็นวงศาคณาญาติยายของท่านท่านก็บอกใช่ไหมถ้ายิ่งมาเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นอะไรต่างาท่านพูดเลยท่านบอกนี่เราเป็นมัวสัตวนะ์ใช่ไหมถ้าคุณจะเดินเดินมาใกล้ๆเราเนี่ยคุณต้องใจอ ย, อย่างนี้นะถ้าคุณใจอ ย, อย่างเนี้ย แล้วคนคนคุณคุณไม่ได้ไอ่ะเจ่มั้ยมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใจมีใกกจสังเกตดูสิเหมือนเว้ยโดนๆเนี่ยก็บอกลูกเรียลูกมาลูกวิง่งหนีใช่ไหมเรียกมาใหม่อบรมใหม่บอกลูกเมี่ยัท์ันธุ์เติยาณ์อนุปาทาปรินิพนานการเป็นผู้เจ้าคนสัตว์หรือสัตว์ทํางานัลูกต้องช่วยเพ่อใช่ไหมต้องช่วยยังหนีอย่าเพาะ ฉะนั้นต้องให้พ่อได้บุญจากกานถ้าสละลูกไม่ได้พ่อเป็นผู้เจ้าไม่ได้ถ้าสละภรรยาไม่ได้เป็นผู้เจ้าไม่ได้เนี่ยถ้าโยนวิจารณ์ยังไงก็แล้วแต่ยังไงแต่นั่นแหละคือใจของผู่บริสัทธ์ถ้าไม่ทําอย่างนั้นก็เป็นไม่ได้เพราะมีข้อข้อนี้กำบัดอยู่ด้วยใช่ไหมมหาปริจาคเนี่ยเป็นการบริจาคใหญ่เนี่ยถ้าไม่บริจาคบุตรไม่บริจาคภรรยาเนี่ยไม่ได้ขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้ คือด้านมาอย่างยาวนานแล้วแต่อย่างนี้ดีไหมถากนี้ไม่ได้งั้นก็ต้องถก็ต้องซัดขนาดพอให้ลูก๊บเนี่ยบางพระองค์เนี่ ย, าายจากมนุษย์เขาแปะเขาตายเป็นยักษ์เขาหักคอลูกกินต่อหน้าเลือด ก, กระเด็นติดเนี่ยต้องทําใจว่าไม่ไม่อมัตโนมัติอย่างนี้แต่ว่าเราเราอยังให้ลูกเราไปอยู่กับใครแล้วเขาฆ่าลูกเราต่อหน้าน แล้วก็นั่งดูเฉยอย่างเงี้ยเราให้เขาไปแล้วเราให้เขาไปแล้วเราจะโทรมานัดเรื่อสิ่งนี้ไม่ได้แล้วต้องสร้างความปื้นใจว่าเออถ้าเราไม่ไม่ตั้งอัธยาศัยที่มั่นคงเนี่ยเราเป็นผมก็ได้กล้าไม่ได้เอาอย่างเราจะกล้าไหยแค่คิดยังไม่กล้าใช่ไหมแค่คิดยังไม่กล้าเลยให้ลูกไปแล้วก็หักคอลูกเรือนานกล้าไหมล่ะ แค่คิดยังไม่กล้าจะคิดเลยนั่นแหละคือผู้วัตยาวนั่นแหละพลวัตยาวตอนนั้นทัา น, นแหลยคือสร้างบา ร, รมีถ้าไม่ทําอย่างนั้นก็ไม่ได้ถ้าไม่ทําอย่างนั้นก็ไม่ได้คือคือให้แล้วต้องตัดเราเนี่ยไม่ต้องถึงบอกว่าให้ของที่มีค่าขนาดนั้นให้หนังสือสักเล่มพอรับหนังสือปุ๊บ โยนเข้าของไฟเลยเนี่ยใจเสียนะผู้ให้ใจเสียแค่นี้ก็ใจเสียแล้วทำไมทำลายจิตใจกันกันนั้นนะใช่ไหยะให้อาหารมาปุ๊บเทต่อหน้าเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วเอ า, เอาจารย์ก็ไปไ <c oughs> ่อย่ า, างไรหนี่ไหมวัดใจไงว่าจริงให้จริงๆให้แล้วหลุดจากการผูกพันยึด ต, ติดจริงๆ บุญเราสําเร็จแล้วเนี่ยนะบุญสําเร็จแล้วคุณจะไปทํำยังไงเปนเรื่องคุณแล้วใช่ไหมคนทําถูกไปเรื่องคุณคุณนําผิดก็เรื่องคุณแล้วแต่บุญสําเร็จแล้วเหมือนเหมือนภรรยาของนายพานเหลาลูเป็นทำกิจโดยฐานะเป็นภรรยาเนี่ยแต่ไม่ได้ทํากิจโดยฐานะาคุณจะไปฆ่าสัตว์นะทำอะไรเป็นภรรยาเอาดูแลสามีทำหน้าที่แต่ง แต่สิ่งนี้ไม่ปรารถนาให้ไปทําสิ่งชั่วนี่คุณวิปริตมนุิยการเป็นเรื่องของคุณเราห้ามไม่ได้เนี่ยวางใจไปอย่างนั้นนะถึงบอกว่านั้นวิธีคิดถ้าคิดถูกเนี่ยนะเดินได้ตรงนี้เหมือนกันนะพระบรมศาสดาก็ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็พระปัญญาคุณเป็นต้นอะไรนีนะ่ตรงนี้ท่านก็สต ร, ริย์เสนอไว้บอกว่า วิสุทธะวิสุทธะกรุณาญานังเวเนหิตะเทสนังสัทธรรมสังขังพุทธังสามพุทธังวันทิตวาวันธราระหังตรงนี้ท่านก็เป็นสาะเป็นการนอบน้อมบูชาบอกว่าวิสุทธะกรุณาญางเวเนหิตาเทสนัง ชาตธรรมมาสังฆสัมพุทธังวันทิตวาวันดานารังบว่าท้าพระเจ้าขอถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระปัญญาที่คุณพระวิสุทธิที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณผู้มีพระธรรมเทศนาอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เวนยสั์ผู้สมควรแก่การถวายบังคมพร้อมด้วยพระธรรมและ พระสงฆ์เนี่ยนะเออคำนำ้ำมการต่างๆเหล่านี้ถ้ามาพิจารณาก็ถือว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีพระปัญญาในการที่แทงตลอดอริยสัจนะเ็บอกว่าการถือเอาการนอบน้อมพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยเนี่ยเราจะสาธยายด้วยคำนอบน้อมพุทธคุณเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้นะเพราะพุทธคุณที่ เป็นคุณอันหาประมาณมีได้ที่เราท่านทั้งหลายได้ไคร่ควรได้พิจารณาได้สายยานได้การนอบน้อมต่างๆเนี้ยถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วบอกว่าจิตใจของท่านทั้งหลายที่มีการนอบน้อมคุณของพระพุทเจ้าในขนาดนั้นนะไม่ว่าจะนอบน้อมคำใดก็แล้วแต่นะนอบน้อมบอกว่าจิตที่นอบน้อมเป็นมหากุศลเขาเรียกมหากุศลจิตตุประบาด ท, ที่เกิดขึ้น มหากุสลจิตุบาทที่เกิดขึ้นในมหากุศลจิตุบาทนั้นเป็นทั้งสมมนัตเป็นทั้งอุเบกขาเป็นทั้งญานาสัมปยุตเป็นทั้งยานวิภยุตทั้งเป็น ส, สังขาริกและอสังขาริกที่เกิดขึ้นสภาพของกุศลจิต ท, ที่เกิดขึ้นจากการนอบน้อมจากการลเลิศถึงคุณของพระพุทธเจ้าเจ้านั้นแตกต่างกันแตกต่างกันก็ตรงตรงที่บอกว่าจิตใจเขงแต่ละบุคคล น, นั้นไม่เหมือนกันในขณะที่มีการนอมน้อม เมือเราขณะที่ฟังพระธรรมของพระบรมศา ส, สดาในขณะที่ฟังไปอย่างนี้ม า, ากลส่วนจิโวบาทที่เกิดขึ้นเนี่ยนะในขณะที่มีการนอบน้อมคุนของพระพูทธมียบ้างเจ้านเนี่ยบางท่านทั้งโสมนัตเกิดขึ้นได้บางท่านก็ตั้งเบี้ยขาเกิดขึ้นบางครั้งก็เป็นซาสังขาริคอสังขาริกเป็นญาณสัมายุทธ์หรือญาณนวิประยุทธ์ประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ในที่นั้นนะศรัทธามีไห ม, ม เพราะว่าการที่จะศรัทธาหรือการเราเลื่อมถึงคุณของพระเจ้านะั้นจะมีอะไรหนึ่งศรัทธาสองเจตนาสามปัญญาเห็นไหมสามตัวเนี้ยดูเอาตัวไหนแรงศรัทธาเจตนาปัญญาสัตวินสีถ้าแรงก็จะมีความตั้งมั่นเจตนาแรงก็มีความมุ่ง ม, มั่นปัญญาแรงนั้นก็มีการวิจัเยเอบาขอความอะไรเงี้นะแต่สามตัวเนี่ยถ้าหากมามารวมกันได้นี่นะ แล้วก็เกิดร่วมในกุลศลจิตเกิดขึ้นแล้วก็มีคุณของพระพระุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยนะถึงแม้นใหม่ๆเนี่ยจะต้านไว้น้อยนิดเพราะไม่สามารถที่จะคิดคุณของพระพุทธเจ้าได้กว้างขวางแต่การที่เราลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในขณะที่ระลึกเป็นต้นเป็นไปตามลำดับใช่ไหมในขณะที่เราลึกเป็นไปตามลำดับเนี่ยถามว่าในที่สุนจริงๆนั้นจิตจะเป็นสมาธิจิตจะเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิในการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ย เช่นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสพระเจ้านั้นไกลจากราคะคือความกำหนัดไกลจากโทสะคือความโกรธไกลจากโมหะคือความหลงไกลจากมานะคือความเย่อหยิงถือตัวไกลจากทิฏฐิคือความเห็นผิดไกลจากอหิริกะคือความไม่ละอายต่อบาปเนะี่ยเออไกลไกลต่ออ น, นุตตปะคือความไม่เกรงกลัวต่อบาปเป็นต้นเนี้ย ไกลจากวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยไกลจากอุทธจจะคือความฟุ้งซ่านอ๋อพระบรมศาสดาที่ได้นำว่าอาหั่งนี่เป็นผู้ไกลจากราคะโทสะโมหะอย่างนี้โอ้แม้ใจเราท่านทั้งหลายในขณะที่ปารบคุณของพุทธเจ้าก็พยายามจะไกลจากราคะโทสะโมหะเห็นไหมท่านในลักษณะอย่างนี้แสดงให้เห็นชัดว่าตอนนั้นในภูสศวกําลังดําเนินไปอยู่ จากนั้นในขณะที่กุศลจิตกําลังดําเนินไปอยู่และปารลคุณของพระเจ้าอย่างนี้เนี่ยลักษณะนี้สมาธิก็จะเริ่มตั้งมั่นขึ้นฉะนนสมาธิที่เริ่มตั้งมั่นขึ้นจากทนิกาสมาธินี่แหละถ้าหากปารลบบ่อยๆเดินบ่อยๆไถ่ครวนบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเนี่ยนะกุศลจิตอันนี้จักมีกําลังมากขึ้นให้สังเกต ด, ดูไหมเราท่านทั้งหลายเนี่ยศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาของเราในยุคปัจจุบนนันในวันนี้ไหม คือไม่สามารถจะปารบพระทุคุณให้ต่อเนื่องได้อย่างยาวนาะนโดยมากวันวันหนึ่งก็เปลี่ยนอารมณ์ปบแป๊บอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมถ้าจะตั้งมั่นกะทีเดี๋ยวก็จะเป็นไปเพื่อความหลับเป็นไปเพื่อความที่จะนิ่งไม่เป็นไปเพื่อความแต่การในการที่จะระลึกอะไรคุณของพทธเจ้าเป็นต้นได้เลยเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะอะไรก็เพราะว่าการเห็นคุณของพทเจ้าเนี่ยไม่ชัด เมื่อเห็นคุณของพระเจ้าเนี่ยไม่ชัดเจนไม่ใค่ควรที่เป็นไปตามลำดับแล้วในที่สุดจริงๆก็จะตกจากคุณของพระเจ้าแล้วเราท่านทั้งหลายในสังสารวัตรที่ยาวนานก็เป็นกันแบบเนี้ยเออเราผ่านพระเจ้ามาแล้วแล้เราเล่าแล้วแล้วเราเล่าเนี่ยแต่เราเป็นบุคคลที่มีศีลกับจารณะเนี่ยบางท่านก็อาจจะดีหน่อยเนาะที่ได้เป็นมนุษย์แต่ต่าง แต่ในด้านของวิชาเนี่ยเสียหายก็ในด้านของสีในด้านของเจรณะเนี่ยบางครั้งก็ดีมไม่ใช่ไม่ดีเนี่ยแต่ได้มากทางด้านของวิชาเนี่ยเกี่ยวในเรื่องของด้านของปัญญาทั้งหลายที่ไม่สามารถที่จะดับสักยะทิฏฐิได้เนี่ยไอ้ปัญญาหรือวิชานี้นี่แหละที่ไม่มีกําลังพอเพราะไม่ได้ไม่ได้ตั้งอยู่ที่กุศลศีหรือจรณากลุ่มสมาธิทั้งหลายเนี่ย ที่จะเป็นปัจจัยในการที่จะแทงตลอดเป็นต้นได้เพราะเกิดจากศรัทธาเป็นต้นของเราท่านทั้งหลายที่เมันอ่อนแอนัน่นเองฉะนั้นตรงนี้ก็ท่านในปัจจุบันใพรบนี้ด้วยแล้วนี่นะท่านในยุคปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยก็ต้องต้องยอมแล้เป็นยุคสื่ศรัทธาเวิยร์สติสมาธิปัญญาไม่มีกําลังลไม่มีกําลังเลยเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ถมเข้ามารอบข้างนนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่มุ่งมั่นกันอย่างจริงๆ จิตใจเขวอกเวอยู่ตลอดเวลานี้นะเจออารมณ์อะไรต่างๆนั้นมากระทบกระทั่งนิดหน่อยก็ไปหมดแล้วถามว่าแค่จะไปฟังทำเนี่ยถ้าไปเจออุปสรรคปัญหามากระแทกซ้ายกระแทกขวาล้วก็ไม่เอาแช่ไหมใชออ่มันขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้นะซึ่งต่างจากสมัยก่อนนี่ไหมสมัยก่อนถ้าหากว่าจะไปเฝ้าพระเจ้าเนี่ยยิ่งมีอุปสรรคเขายิง่งยิ่งต้องสอบยิ่งไปแต่ถ้าหาว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้ามีอุปสรรค ในการจะปฏิบัติตามระาตามคำสอนพระเจ้าบอกเอาไว้ก่อนนันเดียวนิดเดียวฉะนั้นแหละไม่ต้องมากเลยอันนี้ก็บ่งบอกให้เห็นชัดว่าเรานั้นอารมนาธิบดีกับพุทธคุณเป็นต้นนั้นไ ม, ไม่มีเลยแต่อารมณ์อื่นเป็นอารมนาธิบดีแต่การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระเจ้าการเดินตามร่องรอยของพระเจ้านั้นเป็นสามัญญาอารมณ์เป็นอารมณ์แบบสามัญ แล้วก็ไม่สามารถไม่กระตุ้นเตือนศรัทธาวิริยะสุติสมาธิปัญญาได้อย่างเข้มข้นเลยซ้ำไปอันนั้นบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าเรานั้นจะต้องอยู่ในวัฏอีกนานเมื่อเราจะต้องอยู่ในวัฏอีกนานเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวว่าเออเราจะเดินยังไงไม่เจ็บปวดมันก็อดจำไม่ได้ที่จะต้องพลาดอดจำอดไม่ได้ย่ีต้องพลาดต้องผิดต้องพลาดอยู่ตลอดเวลานั้นถ้าว่าใครควรหรือพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้ชัดเจน ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปว่าคืออะไรเนี่ยนะที่เราควรที่จะปรารบในการที่จะพิจารณาในการที่จะไตรตรองอย่างดีเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายก็จะต้องเริ่มเริ่มมาพิจารณาเริ่มจะเรียนรู้ต่างๆเ่านเนี่ยนี่เนไปลักษณะนี้ทีนี้ในในในครั้งที่แล้วเนี่ยได้พูดถึงในเรื่องของสัมมาสัมพุทโธ ใช่ไหมสัมมาสัมพุโทโธในคําว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยได้สาสายทะยายไปค่อนข้างพอสมควรเลยนะนยสัมมาสัมพุโทโธเออในคําสอนของพระผู้มพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสเอาไว้นะในบทของคําว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยนะ พรเจ้านั้นตัดสู้เยยธรรมคือธรรมที่ควรรู้ทั้งหลาย้วยพระองค์เองแล้วก็โดยชอบนี่นะท่านก็ขยายบทคำว่าสัมมาสัมพุทโธ ว, ว่าสัมมาก็แปลว่าโดยชอบหรือด้วยด้วยดีมีระคมหมายถึงไม่วิปริตแล้วก็ไม่คาดเคลื่อน เนี่ยสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยเนียไม่วิปริตแล้วก็ไม่คาดเคลื่อนธรรมะสัมมาเนี่ยแต่ว่าโดยชอบเนี่ยถ้าหากว่าถ้าไม่มีคําว่าสัมมาเนี่ยโอกาสคาดเคลื่อนมีใช mm. ่ไหมแต่เพราะคำว่าสัมมาเนี่ยแต่ว่าไม่คาดเคลื่อนแล้วก็ไม่วิปริตอะไรเชื่อว่าวิปริตอะไรเชื่อว่าคาดเคลื่อนเช่นสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไปเห็นว่าเป็นสุขเนี่ย อันนี้แปลว่าวิปริตและแปลว่าคาดเคลื่อนสิ่งที่มันไม่งามไปเห็นว่างามแปลว่า and and เรเย哈哈哈ียวิปริตและคาดเคลื่อนนะสิ่งที่มันไม่เที่ยงไปเห็นว่าเที่ยงเนี่ยสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ไปเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอันนี้เขาเรียกว่าวิปริตมณสิกาลคือคาดเคลื่อนทีนี้การเห็นของจริงไนะสัมมาเนี่ยโดยชอบเนี่ย ด้วยดีก็หมายถึงไม่วิปริตแล้วก็ไม่คาดเคลื่อนไม่คาดเคลื่อนขออะไรท่านทั้งหลายต้องมาพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าในกระแสจิตของเราท่านทั้งหลายนั้นโดยมากเราเห็นคาดเคลื่อนเราเห็นไม่คาดเคลื่อนเราเห็นคาดเคลื่อนในสังสารวัฏที่ยาวงานมาเนี่ยเราจะเห็นสิ่งต่งตงางๆคาดเคลื่อนคาดเคลื่อนคืออะไรวิปริตอาจาถามว่า ผมคนเล็ันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจไตตับปอดทังขือไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อา ห, หารเก่ามันสมองสิ่งต่างๆนี้ถามว่างามหรือไม่งามแต่เราเห็นว่าดีหรือไม่ดีดีนะดีคืองามนยอันนี้เขาเรียกว่าเห็นคาเคลื่อนหรือเห็นไม่คาดเคลื่อนเห็นคาดเคลื่อนใช่ไหมทั้งต่าสิ่งเหล่านี้ต่างๆเหล่านี้ยไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นธรรมดามีแล้วกลับไม่มีแต่เราก็เห็นว่าเออมันจะต้องอยู่อีกนาเนี่ยอันนี้คาดเคลื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันประกอบไปด้วยเป็นที่ตั้งของชาติทุกชาทุกพยาธิทุกมันมีความทุกเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีจุดไหนของอนู ข, ของขันธ์ธาตุยัตนะเลยที่จะไม่มีความชาติทุกเป็นต้นเบียดเบียนนั้นมันมีทุกเหล่านี้เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลา มันมีถูกความเกิดและความดับเนี่ยเข้าไปเบียดเบียนอยู่ตลอดเลยถ้าว่าถูกความเกิดและความดับเข้าไปเบียดเบียนก็คือว่ามันมีเหตุเกิดและเหตุดับมีปัจจัยที่ทำให้มีการเกิดขึ้นมีปัจจัยในการที่จะทำให้ดับมันมันอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอาศัยปัจจัยเป็นไปอยู่มันไม่ได้เนื่องโดยตรงเขาเองใช่ไหมบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราเนี่ยยืนด้วยลำแค้ ยืนอยู่บนขาของเราเองเนี่ยเคยคิดไหมเกิดมาเนี่ยเราไม่เคยพึ่งใครเลยเห็น ไ, ไหมไม่ได้ไม่ใช่ปัจจัยที่จะเป็นที่อาศัยแห่งการพักพิงพึง่งพิงเยอะหมดเยอะหมดรอบข้างเนี่ยเช่นปัจจัยที่จะทำให้เราคิดได้ก็ต้องอาศัยอารมณ์บ้างอาศัยสิ่งแวดล้อมบ้าง อาศัยการกระตุ้นเตือนอื่นๆแม้อาศัยจิปัจจัยภายในอีกมากมายเยอะแยะหมดที่จะทําให้เราคิดได้ทําอะไรได้เป็นตอนอะไรนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยสิ่งสิ่งเดียวได้ใช่ไหมในสิ่งสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นนั้นมีปัจจัยเป็นร้อยเป็นพันในการที่จะเกือเ่อหนุนแต่เราจะรู้หรือไม่ฉะนั้นมันุษย์ไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้ว ย, วยปัจจัยตัวเดียวนี่พูดถึงสัตว์บุคคลเนี่ยนะ ที่คำว่าสัมมาโดยชอบก็คือด้วยดีหมายถึงว่าไม่ไม่ไมวิปราชไม่คาดเคลื่อนแม้ในชั้นของคมภีร์โดยทั่วไปเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในชั้นของดีกาหรือในชั้นของอัตตกถาท่านก็ขยายมีหลายที่เนี่ยขยายคําว่าสัมมาเนี่ยก็แปลว่าสัมมาสามัญจักเนี่ยไม่วิปริตทงนั้นนะสัมมาเนี่ย ไม่เวิปริตสามังก็แปลว่าเองเนี่ยสามังสังนในบทว่าสัมมาสมัมพุโตในบันทิตเพิ่งเห็นว่าเป็นศาสตร์ที่ทําให้เข้าใจความหมายเช่นสยังหรือเองคําว่าทั้งปวงก็คือญาแยธรรมทีนี้สัมพุทโธเนี่ยก็แปลว่าอะไรตัสรู้อยญาแยธรรมญาแยธรรมน่ะคือธรรมที่ควรรู้ทั้งหลายทั้งปวงโดยไม่มีเหลือได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยนี่แปลสรุปเลยสัมมาสัมพุทโธอ่ะ สัมมาสัมพุทโธนี่เนี่สัมมาสามัญจ็ดพุทธตาสัมมาสัมพุทโธซึ่งแปลว่าชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะเพราะความที่เป็นผู้ตัดสินโดยชอบและด้วยพระองค์เองเพียงนี้เท่านั้นย่อมได้ในสาวะสัพพะสัพพะธรรมานังสัพพะธรรมานังก็แปลว่าทำทั้งปวงนะตัดสินทำทั้งปวงเนี่เนี่ย ความที่พระบรมบรมศาสดานะั้นพระองค์อย่างรู้ทำทั้งหลายทั้งปวงโดยไม่มีเหลือโดยชอบแล้วก็ด้วยพระองค์เองนี่ไม่ใช่อย่างรู้ธรรมดานะโดยชอบด้วยโดยชอบในที่นั้นแปลว่าอะไรโดยชอบนะี่คือไม่วิปริตนะอย่าลืมนะไม่คาดเคลื่อนนะคําว่าโดยชอบเนี่ยเรารู้อะไรอ่ะโดยมากชอบหรือไม่ชอบเนี่ยโดยชอบไหมชอบไ้ย เราในชอบเป็นจริงวิบปรลิตถ้าใครมาบอกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยคุณวิบปรลิตไปแล้วปวดไหมต้องบอกที่จริงเนี่ยพระท่านใช้คํำว่าวิบปริตมานสิกาแล้ววิประิตมนัสิกาก็คือการเห็นที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงาการเห็นที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนี่ยก็คือว่าของจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ไปเห็นอีกอย่างเห็น ไ, ไหม ทีนี้คำวิปปริมานุสิกานเนี่ยในในในความหมายเนี่ยไม่ใช่เป็นความหมายอย่างที่เราเข้าใจกันใยทั่วไปนะถ้าเราเข้าใจกันโดยทั่วไปก็คือว่าเอ๊ะนีพอ่อหรือไม่ใช่เนี่ยเห็นเงาตะคุ่มตะคุม่มอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมบออ๋อไม่ใช่เห็นคนอื่นนึกว่าพ่อเดินเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอันนีไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ความเห็นลักษณะอย่างนี้แต่เห็นเงื่หมายถึงญานปัญญาที่เคยเข้าใจความจริงของสรรพสิ่ง เข้าใจของชีวิตของรูปเวทนาสัญญาสัง ข, งขามีญาณเป็นต้นเน่ยนะได้แก่ญาณธรรมธรรมที่ควรรู้เนี่ยถามว่าญาณธรรมธรรมที่ควรรู้ น, น่ยสรุปง่ายๆเขาสรุปจิตเจสิกรูปนิพานแล้วก็บัญญัติเนี่ยชัดเลยห้าอย่างนี่นะจิตแปดสิบเก้านั่นแหละเจตสิกห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดนิพานอีกหนึ่งแล้วก็บัญญัติอีก เขาว่าไปจากการเขก็สังขารนิการลักษณะ น, าานิพพานมันใั ญ, ญ่นิขยายไปแล้วอยังรู้สภาวธรรมทั้งหมดโดยไม่ไม่ไม่เหลือไม่ใช่เป็นการอย่างรู้เพียงบางส่วนเป็นการอย่างรู้ทั้งหมดจริงอย่างนั้นพระบรมศาสดาพุทธเจ้านั้นทรงตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดยชอบและด้วยตัวเองกล่าวคือตรัส ร, ญญาารู้อภินญยธรรมอภินญยธรรมนี่คือธรรมที่ควรรู้ยิ่งได้แก่สัจธรรมทั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโรจน์มั่งนี่ ก็คือจิตเยี่ยมสิรูปนิพานด้วยพยานอันวิเศษนั่นแหละนะพร้อมทั้งบัญยัตินั่นแหละแต่สรุปประเด็นยธรรมที่ิงตรงนี้ไม่ใส่บรรยัติมาจริงบัญัติต้องใส่ด้วยนะสังขารวิกา ร, รและขณะ น, น, นิพานบรรยัตินี่นัต้องใส่ไปด้วยก็คือธรรมที่ควรกำหนดรู้ทั้งหลายซึ่งหมายถึงทุกขสัจจกทุกขสัจทุกชนิดนเนี่ยพระองค์รู้หมดเลยถามว่าทุกขสัจนีมีมากไหมอาทุกขสัจนีมากไหม เอาขันห้านี้มากไหมถามว่าขันห้าขันสี่ขันหนึ่งซึ่งมีอยู่ในจักรวาลทั้งสิ้นมากไหยสังขารโลกก็มากสัตวโลกก็มากโอกาสรโลกก็มากรู้หมดน่าจะสัมมาสัมพุทโธต้องรู้หมด ถ, ม ถ, ถึงจะเรียกว่าสัมมาถึงจะเรียกว่าสัพพะธรรมมานั่นรู้ธรรมทั้งสิ้นถ้าอย่างนั้นจะรู้บางส่วนก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธ เนี่ยรู้อย่างนี้อะวิชาอะไรที่จะสามารถรู้ได้ขนาดนี้ต้องไม่ใจอวิชาสัมมาสัมพุทธะใช่ไหมถ้าได้ตัดจะรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นพระเจ้าอะไรในจะรู้ทั้งหมดเลยในโล ก, กธาตุทั้งสิ้นแล้วก็สังขารโลกที่อยู่ในโล ก, กธาตุทั้งสิ้นสัตวโลกทั้งสิ้นรู้หมดก็เหมือนก้ามาถามป้อมมาใส่บนฝ่ามือพลิกดูได้เลยพลิกกรดิบดูได้เห็นอย่างงั้น สมมาหลวงพอโตเห็นอย่างนี้นโลกธาตุมีเท่าไรพยานก็มีเท่านั้นพยานมีเท่าไรโลกธาตุก็มีเท่านั้นพอดีกันเลยอ่ะคือสร้างสร้างปัจจัยสร้างอัิยาสายที่จะได้เป็นพระเจ้าน่ยพอดีพอดีกันระหว่างโลกธาตุกับระหว่างกับพยานซึ่งไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมให้เหมาะกันขนาดนั้นเลยโอ้อย่างเราเนี่ยเนี่ยโลกใบนี้ยังรู้ไม่หมดเลยใช่ไหมเอาโลกใบนี้ อแค่โ okay, ลกไปนี้เรายังรู้ไม่หมดเลยรู้หมดนะเอาเนี้ยเนี้น่ยนั่งเยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยนั่งอยู่ถามว่าเรารู้จกขันทุกขันเนะได้เอาปัญญาไปวิจัยไม่รู้เลยนี่แค่เนี้ยแค่นี้ก็ไม่แค่ปัจจัยภายนอกในการที่เราจะมาวิจัยเนะี่ยถามว่าเคยผ่านการวิจัยเรียบยานปัญญาของเราท่านทั้งหลายหมดหรืยอยังเนะี่ยพละนี้ คือเห็นเป้าก็มาวิจัยในความวันนี้ทุกนี้เหตให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี่ก็เป็นวัตถให้เขาถึงความเรบทุกเนี่ยวิจัยทุกจุดเลยนะเอาผมมาวิจัยเอาขนมาวิจัยเอาเล็บเอาฟันเอาหนังเอาเนื้อเอาเอ็นเอากระดูกเอาเยื่ออะไกระดูกต่างมาวิจัยในความเป็นอะไรสัตว์จบเลยเพราเห็นป้าโอ้โหโล่งเลยเนี่ยไม่ติดขัดเลยเคยั้มเคยมาทําวิจัยอย่างนี้ไหมยังไม่เคยใช่ไหมถ้ามาวิจัยอย่างเนี้ยนะในสุดจริงๆเราจะเห็นกระแสขันแบบนี้ มีทกษัตริย์กาลังมันเดินไปอยู่มีสมุทรยะสัจจ์อ๋อนี่มีแท้บนี้มีอยู่สองสจจกกาลังแสวงหาสัจจ์ที่สามและสัจจ์ที่สี่คือกำลังจะน้อมหาสัจจ์ที่สามคือที่โลทัศสัจจ์โดยการทํากําลังจะทำสัจจ์ที่สตอนนี้เป็นโลกิยาเลยเนี่ยหลุดหลุดอยู่เงี้ยว่ากันเนียตั้งหลุดตั้งหลุดอยู่นี่พระทาเดี๋ยวมาชมมารคเขาหน่อยก่นล้วลงมาสิวเสียงโทรศัพท์มาทีไรเสียงมาร์คศาสตร์หลุดทุกทีเนี่ยไปงานนั้นบางงานนี้บางบ่อยเหลือเกิน ้วเดี๋ยวก็ไปเสรแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็เอาไซื้อของเสรซืร้ขอขแล้วไม่เห็นไม่เห็นในสัจจด้วยนะที่ไปนยะไม่เห็นมีทุกขสัจจะเคยมโอนี้ทุกเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เป็นทุกมาเนี่ยตัสรู้ยญาธทําก็คือธรรมที่ควรกาหนดรู้ทั้งหลายซึ่งหมายถึงทุกขสัจจะตัสรุปหาตปฏิธรรมคือธรรมที่ควรละ มายถึงสมุทรยะสจัก้แก่การมาตัญหาภวตัญหาวิภาวตัญหานั่นแหละเวลาเสด็จธรรมจักรกับภ า, าวะน่าเสด็จใช่ไหมการมตัญหาภาวตัญหาวิภาวะตัญหาดังโคทุกขสมุทรยังรไอสจังเนี่ยนะเนี่ยแหละนีนะนนะ่มันเขตของทุกโรงงานของทุกเครื่องผลิตทุกบริษัทบริษัทผลิตทุก ีนบริษัทเนี่ยผลิตตาหูจมูกเล้นกันใช่ไหมแต่แต่ไม่มีผลิตไม่มีอะไรซ่อมเนี่ยไม่มีต้องซ่อมเอ <c oughs> ก็ข้าผลิตให้บางทีเนี่ยไม่ทันเสร็จนะผลิตบางคนไม่ทันเสร็จนะโอ้โหเจ็บปวดจริงๆบางทีให้มาหมดเลยนะแต่ให้ขามาขาข้างเดียวเหๆๆน <c oughs> เียวยุ่งเสื้อกระสนลาบัง หรือให้ขามาให้นเคยเห็นไหมล่ะให้แต่ตัวขาสั้นนิดเดียวเนี้ดูดิมผลิตประหลาดตลาดมาอีกใช่ไหมบางคนก็ให้แขนเหมือนแขนนกเนี่ยประหลาดเอาที่ดินต่อสู้ไปใช่ไหมบางคนให้มาโครบมาเลยแต่ให้ตาบอดมาอาต่อสู้ไปนี่เป็นเนี่ยโรงงา น, นไม่ค่อยสมบริบูรณ์เลยมนะันที่จะให้มาโอ้เยอะแตาเนี่ยเนี่ยโรงงานเนี่ยเจ้ากลมใหญ่ในการที่จะผลิตทุกนี่ ถ้าพลายโรงงานนี้ไม่ได้เจ็บปวดเอาไปละตบมายไหมแล้วขนาดเราเนี่ยประดับประด า, ะดาเขาอย่างดีเขายัางไม่เสียใจเนะใช่ไหมเขาให้มาแล้วเบ็ดเสร็จเขาบอกอา้าเป็นของนั่นมาเบ็ดเศร็จแล้วเขามาประดับเขาไหมาบอกให้เขารู้ว่าเนี่ยเราดูแลดีนะประดับทั้หมดเลยนะบนผมบนบน่ะบนคิ้วบนปานบนอะไรต่างดูแลอย่างนี้ มันหูบนอะไรต่างเลยนยตามสรีระแ ม, นม้นิวว้วมือนิ้วเท้าอะไรต่างโอ้ยดูแลอย่างดีเชียวดูแลประดับหมดคือทั้งหมดแล้วก็พยายามจะตกแผงประดับประดา บ, บอกว่าเราได้มาแล้วเราจะดูแลจะชื่นชมนนใช่ไหมใช่แต่ในสุดจริงๆก็มันก็ของมันของมันไม่เที่ยงของมันไม่ไม่อามใช่ไนะแล้วก็ของมันเป็นทุกข์ของมันบังคับไม่ได้ ใช่ไมใชเนี่ยขนาดประดับประดาขนาดนั้นมันยังมันยังไม่บางคนเนี่ยนะบางคนนึกน่ยโอ้โหเขาบอกว่าเขาเขาก็ยุ่มากก็เขาบางคนนี่เขาเขาเขา เ, เ, เคยประดับประดามาอย่างยาวนานต่อมาก็ยิต้องไปเข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ทุกมากก็เคยถามว่าเอมเป็นทุกอะไรกาเป็นทุก์ที่ไม่ได้ประดับเคลื่อนประดา คืไม <ide> ่ได้ใส่เครื่องประดับก็เป็นทษเพรามาอยู่อย่างนี้ไม่รู้จะใส่ยังไงเดี๋ยวก็เจาะตรงนั้นบางเจาะตรงนี้บางเขาเขาล้องไห้แล้วก็ดูตามตัวเขาพูนไปหมดล้องให้พระแต่ก่อนเนี่ยก็ต้องใส่นู่นใส่นี้ประดับของเขาใช่ไหมแล้วเขาไม่เคยทําตัวเขาอย่างนี้เลยนิดหน่อยเขาก็ไม่เคยทําให้เขาเจ็บใช่ไหมแต่อันนี้ไม่รู้ว่าใครไม่รู้มาเจาะเขาบ้างอะไรบ้างแตละท่านเขกว่าเขารับรับตัวเองนะ่ตอนนี้บโอ้โหนี่ไง การไม่วิจัยการไม่พิจารณาเนี่ยเมื่อเราไปติดมันเมื่อไหร่มันเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมแล้วในชีวิตที่ผ่านมาจริงๆเราไม่เคยผ่านงานวิจัยเนี่ยตรงนี้ท่านบอกว่าฉะนั้นสมุทัยเนี่ยเป็นธรรมที่ควรกําหนดควรละควรเจรจาคือถามว่าการจะละสมุทัยได้ต้องเห็นอารทีนวะของทุกขสัตริย์ถ้าไม่เห็นอารทีนวะไม่เห็นโทษ ไม่เห็นความวิบัติไม่เห็นความเสือ่อมไม่เห็นความไม่งามเป็นต้นของทุกขศาสตร์แล้วเนี่ยจะน้อมละปัญหาได้อย่างไรใช่ไหมครั่สมมติว่าเราซื้อของเราบอกโโหโรงงานนี้ผลิตชิ้นส่วนนี้ดีมากเราก็เห็นแต่ในมุมดีดี ด, ด, ด, ดีดีตลอดแต่เราไม่เคยไปเห็นโทษของของของสิ่งนั้นเลยถ้าเราไปพิจารณาวิจัยโอ้โหนีนก็รอยแตก ไอ้ตรงนี้ก็โผล่เนี่ยมันป่าไว้เนี่ยนิดนี่ไหแล้วก็ไม่ทนด้วยเราขนาดต้องคอยดูแลขนาดนี้มันก็ยังบุกมันก็ยังพังมันก็ยังสุดมันเสื่อมใช่ไหมถ้าเริ่มเห็นอย่างเนี้ยนั่เข้านั่เข้าโอ้โหแล้วไม่ทนด้วยไม่ดีจริงอย่างที่มันโฆษณาด้วยถามยังอยากจะซื้อของโรงงานนี้อีกไหมไม่อยากซื้อแล้วใช่ไหมเราก็บอกโรงงานนี้เป็นโรงงานหลอกลวงแล้วเมื่อไหร่เราจะเห็นไใ้โรงงานตัวเนี้ย ไอ้ตัวผลิตชิ้นส่วนคืตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะเป็นโรงงานที่มันหลอกเมือ่อไหร่ยอมจะเห็นมันจ ะ, จะมาเห็นโทษมันจริงๆนะไม่เอาแล้วถ้ามันจะเยี่นตาหูจมูกลิ้นกายใจให้บอกโบกมือลาไม่จะโบกมือขอบอกมือลาไม่เอาแล้วบอกว่าเรากําลังจะกําหนดรอบรู้ตรงเนี้ยจะได้เห็นโทษตรงเนี้ยแล้วจะได้ละความยินดีเนี่ยละมันเสีย การละแบบแตะทางท้าปัญหาในสุดจริงๆก็จะได้ละโดยเด็ดขาดในเข้าในาเข้าไาตัดขาดเลยบอกว่าไม่ละเลิกจ้างเมื่อไหร่จะเขียนตัญญาเลิกจ้างใช่ไหแล้วก็บอกว่าเลิกละของจากโรงงานนี้นับตั้งแต่วินาทีนี้ต่อเลิกไหมถ้ากามาตัญหาเพราะว่าตัญหาวิเพราะว่าตัญหาเนี่ยร่วมกับกรรมในการที่จะผลิต ตาของจ้หมูกเล่นใจใจส่งง่ายแล้วบอกว่าจกไม่เอาตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นนะเราเห็นโทษแล้วจะ ต, ต้องเห็นจริงๆนะไม่ใช่ฝืนใช่ไหมเช่นวันยังไม่เห็นโทษแตเออถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงตายตายมาไม่เห็นโทษจริงใช่ไต้องวิจัยตัวทุกข์ขั้นเชื่อมโยงกับตัวสมุทัยเป็นต้นเพราะว่ามันเป็นมันทุกอย่างนะ เมื่อเห็นความเจ็บปวดแต่ละครั้งให้เห็นว่านี่ไงทุกข์สัตว์ใช่นี่ไงโทษของการไม่ได้นีโลดนี่ไงมช่ไมไม่ต้องเชื่อมโยงอริยสัจได้ด้วยจริ ง, รงๆรงเงี้ยอย่างนี้ถึงจะคำว่าเดินตามสัมมาสัมพุทธะถ้าไม่เชื่อมโยงอย่างนี้จะเดินตามสัมมาสัมพุทธะได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมต้องเชื่อมโยงให้เห็นชัดถึงจะเดินตามสัมมาสัมพุทธะ แค่ตัณหานี่ยเนี่ยตัณหานี่ยจัดว่าเป็นเหตุที่เป็นประธานแหความวิจิตของทุกและก็เป็นเหตุของของวิจิตของกรรมคือไอความวิจิตของทุกก็ดีความวิจิตของกรรมก็ดีนั่นเน่ยตัณหาเป็นเหตุใช่ไหมตัณหาวิจิตก็เพราะกรรมวิจิตกรรมวิจิตก็เพราะเมื่อกรรมวิจิตกําเนิร์วิจิตไหมกํามเนิรวิจิตเมื่อกําเนิรวิจิตในสัตว์วิจิตไหม ลองลองคิดดูนะว่าไอ้ตัวการวิจิตพอเกิดความปรารถนาความต้องการความมียินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสมัมผัสในธรรมอารมณ์นี่นะพอมีความปรารถนานี้เบียดเสร็จแล้วมัน ม, มีมีการกระทําวิจิตไหมการกระทําทางกายทางวาจาจะวิจิตมาเลยนะอย่าลืมนั่นเป็นเพราะความอาี่ยแล้วบางทีเราคิดอยากภูมงแต่งดิเหมือนสมมติเราอยากจะประดิษ์ปดอยเสื้อผ้าสักชิ้นโอ้โหประดิษฐ์ปดอยตั้นหานะ ตั้หาเกิดก่อนนะใครควรก่อนพิจารณาก่อนพอตั้นหาวิจิตปุ๊บมันจะเริ่มทําแบบวิจิตเลยการกระทําแบบวิจิตเลยใช่ไหมหรือเหมือนกันเอ้าใครเก่งในทางออกแบบบ้านมั้งออกนม่นาคิดใช่ไหมมันมาจากตั้หาเนาะพอตั้นหาวิจิตปพ๊บเรคิดแล้วนี่ตรงนี้สวยตรงนี้ไม่สวยจะทําอย่างนี้ใช่ไหมมองเห็นว่ามันจะวิจิตมากถ้าตั้หาวิจิตปุ๊บเป็นมาเนี่ยอการกระทํำจะวิจิต การกระทําทางกายทำอาจใจวิจิตก็ขนาดไม่ดีอย่างตันหาเขาบอกตันหาสั่งรูดไปทุกหม่ต้องอย่างนี้หรือใหม่ค่านนี้แต่ทํำจนเอาตันหาก็บอกอย่างนี้ดีแล้วครับครับจะนายตันหาจะสั่งว่าข้างไหนแล้วก็เราเอไปทาามันนี่ตันหาสั่งโอเคอย่างนี้ใช้ได้เคยเป็นไหมล่ะนี่ตันหาเป็นอย่างนี้นั้นตันหาวิจิตนั้นตันหาเป็นความวิจิตของการกระทํา พอการกระทํามันวิจิตไอตัวกําเนิดสังเสริประชาโอปปปาติกันชาบุชาเข้าประสริยกะเกิดในครั้นเกิดในใครเกิดในเท่าไหร่มันมันวิจิตมาว่าการกระทําไอทุกข์ัตร์นี่ก็วิจิตจตีเนี้ยใช่ไหมบางกลุ่มก็เกิดเป็นหอยเป็นท่าเป็นปูเห็นไหมมันวิจิตจริงๆเนะียเออวิจิตหมดหละจะสร้างไหมมีตาก็ได้ไม่มีหูก็ได้ ไม่มีจมูกเป็นต้นก็นได้ใช่ไหมใช่โอ้โหมันทําวิจิตมากมันจะบอกว่าเอา้าบอกว่าเดินก็นใช้เนี่ยใช้ปากนั่นแหละเดินกินก็นั่นแะใช้ปากนั่นแหละกินสืบพันธุ์ก็ใช้ปากนั่นแหละสืบพั น, น, น, น, เ, อพนเอาล่ะทำวิจิตขนาดนั้น่ะก็เห็นไหมนะขนาดนั้นเดินก็ดีเดินไปไหนกินก็เอาสืบพันธุ์เป็ต้นท่าอุจจารต่อสวะทั้งปาก คือทำทางเดียวหมดอ่ะจะทายปัสสาวะประทางนี้จะทายอุจจาระประทางนี้จะกินอาหารกระทางนี้จะสืบพันธุ์ประทางนี้จะเดินกระทางนี้วิจิตไหมเนี่ยไงไอ้ที่วิจิตอย่างเงี้ยเพราะน่ะตัณหาเพราะการจะทําวิจิตการกระทาวิจิตเพราะตัณหาวิจิตใช่ไหมไอ้ตัณหาไอ้ทุกข์กษัตริย์มันวิจิตมันก็ทําให้กรรมเน่ยวิจิตเพราะกรรมวิจิตมันก็ผลิตทุกข์วิจิตพิสดารมานมากลัว ขู่มั้เห็นไหมมันม่จิตทีนี้เราเราก็มาพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่านี่ไงตัณหาเหมือนปัญญาแทะสมเจอาที่คล้ายปัญญาแทะนั่นนันสัตว์โลกอะจะมีกันสักกี่คนว่าเฮ้ยนี่ตัณหาเนี่มันไม่ใช่ปัญญามีมีมีมจะถูกคิดได้ไหมน้องมากอาแล้วจะทำไง เมื่อสังเมื่อสังสาระทุกมันมันหมุนไปอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าโอ้อย่าแปลกเลยสัตว์ทั้งหลายจงิจงจมอยู่ในวัฏทุกข์ไม่ใครที่จะคิดออกอีายวัาจะทุกกันใช่ไหมเพราะมันมีความเพลิดเพลินอย่างนี้นี่เองก็มีความเพิดเพลินก็เนี่ยถึงบอกว่านี่นี่คือคือสมุทยัยต้องละใช่ไหมถึงบอกว่า ศูทั้งหลายจงมาดูโลกอันตรการดูราชเชื้ที่เพล่พวคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้ปริภิพานกันหมดแล้วเนี่ยผู้รู้ไม่ไม่ติดข้องผู้รู้ปริภิพานหมดเพราะมันวิจิตจงมาดูโลกนี้อันตรการมาดูโลกเนี้วิจิตมาดูทุกขสัตรว์เนี่ยวิจิตมากไม่มีไม่มีสัจจะอะไรจะวิจิตถ้งทุกขสัตริย์คนนี้ถ้าในด้านของวิจิตของปุถุชนนะนั้นยิ่งดูยิ่งติดข้องไปเหอะ ในทางเลก็วิจิตบนบกก็วิจิตบนอากาศก็วิจิตในสวรรค์แต่ละภูมิแต่ละชมแม้ในพรมโลกนะี้ยิ่งวิจิตอ่งามแท้ติดข้องมากถ้าไปอยู่แล้วก็ลืมเลยเอางี้ในอบายภูมิในนรกนี่นะท่านบอกว่าถ้าคนปรารถนาจะาพ้นจากทุกข์ษัตริย์นะีต้องคิดให้ดีว่า ความทุกข์สามสิบปีจากการไข้ควรจากการมาพื้ปฏิบัติเอาจริงเอาจังในการทำศีลสมาธิปัญญาหรือทนานศีลภาวนาเนี่นะเพื่อจะพ้นทุกข์เนี่ยยอมทุกไปเลยสามสิบปีกับทุกสามนาทีในในเอเวจีหรือทุกทุกชั่วโมงหนึ่งในในเอเวจีทุกหนึ่งชั่วโมงในเอเวจีเนี่ย มากกว่าทุกร้อยปีที่เราจะเพียรพยายามบรรลุจะแรกไงเราจะไปทุกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่ชั่วโมงเดียวเนียในนรกเนี่ยเราจะยอมไหมยอมลงไปทุกในเวทีไหมสามชั่วโมงอ่ะให้ให้สามชั่วโมงแต่ว่าสามสิบปีเราหรืออายุเหลือสิบปีหรือห้าปีเนี่ย ถ้างั้นก็คือไปทุกห้านาทีในในเวนะ ท, ทีนะในเวทีทุกห้านาทีเนี่ยมากกว่าทุกสิบปียอมไหมทุกแบบพยายามให้ควรเอาจริงเอาจังในการทำศรัทธาเวเรสติสมาธิปัญญาในการที่จะออกจากวัฏจักหรือจะยอมไปอยู่ในนั้นก็ไปคิดไป <c oughs> คิดที่สถานการณ์ีไปเลยมันเป็นนั้นจริงนะมันเป็นอย่างงั้น เราจะไปทางไหนใช่ไหมหรือยอมจำนนก็ลงไปถ้าลงไปก็ไม่ได้เจอพระเจ้าองค์ต่อไปเพราะพระเจ้าองค์ต่อไปก็คืออันตรกับเดียวไม่เจอแล้วพลาดไม่ได้เลยแม้แต่ถ้าใครพลาดจากการไ่เกิดเป็นอบายภูมินะั้นปิดประตูแล้วนนั้นหมดโอกาสเลย ไม่เจอพระพุทธเจ้าองค์ตอไปเรื่องการตัดสู้ก็ไม่ถ้าใครจะตัดสู้ปัจจุบันน่ะพบก็ก็ดีไปแต่ถ้าไม่ตัดสู้มั่นใจไหมว่าจะไม่ตกอะไรย่างเถ้ามั่นใจลุยเดิอก็ก็ก็คลายกุ้นั่งกันอยู่นี้ไม่มีสันนิาถ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสันนานี่ไม่ใช่สันนาลูกไม่ใช่ซักไม่ใช่สามีภรรยาไม่ไม่ใช่ เพื่อนก็ยังไม่ใช่ใช่ไหมไอ้จะคิดอย่างนี้ปั๊บมอออกัหมเยาวรีคิดออกไหมไถ้าคิดไม่ออกก็ก็ลองลองไปนั่งใคร่ควรว่าอะไรมันเป็นอย่างนั้นจริงจรงอาจารอาจาไปคำนวณ ด, ดูแล้วเนี่ยอามารย์มาคํานวณดยโอ้เป็นงนั้นจริงจริงก็ความทุกข์ในนรกกับความทุกข์ในปัจจุบันนี้นจแลกหรือไม่แรกนี่น เราจะแลกจะแลกสร้างสร้างอัธยาศั ย, ยอยู่ไม่แลกถ้าแลกเรามีโอกาสรอดถ้าไม่แลกไม่รอดไม่รอดจริงๆต้งนั่งถามใจเลยดีมั่นใจมาไปไ ป, ไปสุคติมั่นใจมั่นไปมันก็จะตายพบไปไปสุคติแล้วตั้งอัธยาศัยถูกทุกภบเลยถึงกว่าพระเจ้าองค์ต่อไปจะมาตรัสทีนี้ถ้าพระเจ้าองค์ต่อไปจะมาตรัส แล้วเราไม่มีข้อมูลเราจะตัดรูนะ้ไรใช่ไหมแล้วไม่มีข้อมูลเราจะไปนั่งมองหน้าท่านแล้วท่านเทศเราจะรู้ไหมเนี่ยนี่โอ้เป็นเรื่องนี้แล้วแล้วอายุก็เหลือแค่ น, นี้ที่ทำไงเนี่ยยเรามาเนี่ยเหลือ น, น้อยมากอย่นเงี้ยถ้าอย่างยันเหลือ น, น้อยมากอ่ะตอนนี้ให้ตัวเองประมาณเท่าไรไหมไม่เกินห้าอันนี้ให้มากสุดนะเนี่ยไม่เกินห้าเนี่ย มากสุดแล้วทำไมต้องเล่นเยอะขนาดนั้นก็ใหญ่กมันน้อยก็มันน้อยเกินแล้วเนี่ยไม่เกินห้าในที่คิดคิดคํานวณคํานวณอย่างนี้ยถ้าได้ยังไงก็โหวุ่นวุ่นโขว่ทำมากกว่านั้นไงมันจะได้เกเกี่ยวให้มากกว่านี้เข้าใจระยะมันนี้มันมันต้องคํานวณเป็นใช่ไหมถ้า นักคำนวณที่ดีก็ต้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ต้องบอกโยโย่คนนี้องต้องเป็นนักคานวณวางแผนเจ้า่ยเพราะวางแผนทั้งโลกมาเก่งอันนี้เอาพิสกับวางแผนการทำดีก็ต้องบอกว่าเอ๊ะอันนี้ต้องต้องคํานวณแล้วบแล้วได้แล้วต้องต้องถือเป็นนักคานวณทีนี้ว่าลงวางแผนยังไงวางแผนยังไงในกรณีที่จะเดอเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยว่าถ้า ถ้าเราสามารถเจริญ sí กุศลได้แต่ก่อนแต่ก่อนจะไช้คำว่าเออค่อยเป็นค่อยไปทําไมต้องพูดจานั้นรู้ไหมตอนนั้นเนี่ยข้อมูลเนี่ยหนึ่งฐานถ้าไปพูดว่าเร่งเร่งเร่งเร่งไมเชื่อเดี๋ยวพวกเราคงไม่ไม่ฟังตามกันมาตลอดก็พยายาม้็ย้ายโยกทีนทงนี่ฟังถามมาหลายปี่ปีก็ไปนั่งนับํานวนนั้นเนี่ยสองปีสามปีสี่ปีห้าปีอะไรใช่ไหม ก็ลว่า อ, อ่ะเดีด๋ยดบอทข้อมูลบ่มมานาเนีัยไงนะนะเขาจะตำหมิบ่มมีมดเพราจริงๆเป็นอย่างไงีนนะาา้ิจริงๆเป็นอย่างนั้ว่าไม่ไม่ใช่อย่างที่ิดจะบอกว่าเอ้ยโยมโยมมาลีเนี่ยทําอาหารถวายมาเยอะมากเห็นไหมทําหมันบ่นมานานค ก็เลยบอกพยายามบอกแล้ดว่าเอ้ยเนี่ยต้องต้องคิดใหม่นะต้องบอกตลอดใช่ไหมต้องคิดใหม่ตรงเด่นบางทีเวลาโทรไปบอกเป็นงไนเรินกุศลมาเลยบอกเลยก็เป็นหานั้นตรงนี้ก็คือว่าธรรมที่ควรกําหนดละหรือควรที่ควรละคือสมุทัยแต่แก่ตัณหาความยินดีความเบื่อเพลในตัณหาจัดว่าเป็นเหตุที่เป็นประธานในความวิจิตของทุกนั้นตัณหาเนี่ยเป็นประธานนะ ทุกทั้งหลายที่วิจิตพิสดารคําว่าทุกที่วิจิตเนี่ยต้องรู้ว่าสัตว์โลกที่เป็นไปต่างๆนั้นวิจิตมากวิจิตนั้นเพราะกําเนิดนะ่ะให้เกิดมาต่างกันไอ้เกิดในเท้าไข่ก็วิจิตไอ้เกิดในยางเหนียวอ่ะเกิดในไข่ก็วิจิตใช่ไหมเกิดในคันก็มีตั้งหลายประเภทก็วิจิตเกิดโตขึ้นที่เราไม่รู้เยอะแยะนั้นวิจิตนะเอาที่เราเห็นกันด้วยตาเนื้อเนี่ยนะ แต่ที่รับรู้จากตาปัญญาที่ฟังมาทำของพระเจ้านี่นะที่ได้ฟังทำแล้วเราตามพระเจ้าโอหวิจิตเยอะแต่ว่าที่เราเห็นเนเราก็เห็นว่าวิจิตจริงๆเอาแค่สัตวเดรัจฉานในวิจิตนะ <c oughs> นี่เราก็เห็นนั่นแหละเรามีโอกาสเกิดเป็นมรลคและท่านบอกว่าไงรู้ไหมท่านบอกว่า แสดงว่าเราเคยเกิดเป็นท่า ก, ก็คือเกิดเป็นเลนก็เคย <c oughs> ไปดูในเปรเลนเนี่ยโอ้หน้าลวงจริงพระพระตายเป็นเลนได้เป็นเปรตเลนได้ดูสิเนี่ยยินดีจีวรพระเคร่งคัดในศีลไม่มีทรัพย์พระนี่ไม่มีทรัพย์แล้วนะแต่ไปติดใจจีวอนเนี่ย ยอมเขายอมพี่สาวที่แรกเป็นผ้าเนี้ยไม่ดีเราเอาไให้พี่สาวเก็บแตล่ละให้พี่สาวพี่สาวไปรือม่โอ้โหทำอย่างดีเลยจับผ้าเนื้อหยาบเป็นเนื้อละเอียดแต่ทอใหม่โอ้โหเอามาถวายโอ้โหเกิดเกิดใกล้ตายใจก็ประวัติน้องเสียดายทรพอตายไปก็ไปเกิดเป็นเลนเนี้ยนี่เห็นไหมเนี่ยนี่ผ้ามีเสียน เข่งคัดแต่ประมาทวางจิบผิด ต, ตอนมรณาสนหนาการตายเปลี่ยนเอ้าวล้วดูคาราวาั่น้งบอกว่าถ้าศีลบกพ่องตั้งใจนึกสมาทานในใจทันทีถ้าขาดนะถ้ากุนศรศีลขาดนะถ้ารู้ว่าขาดเนี่ยนะตั้งใจทักทัดแค่นั้นนะตั้งใจเดินเดินไปบวด่ต้องตั้งใจ อย่างเนี้ยรักษาตัวได้ระดับศีลระดับศีลในรักษาตัวได้ระดับศีลแล้วถ้าไม่คิดเลยยุ่เลยแล้วไม่รู้ข้อมูลศีลเลยอ่ัเนี้ยิงปใหญ่เลยเดี๋ยนี้นี่ต้องรู้ข้อมูลต้องรู้ข้อมูลก็เหมือนทํางานเดียวทั่วไปใช่ไหมถ้ามีข้อมูลป้อนอยู่ในหัวใครถามเลยก็ตอบได้เลยใช่ไหมตอบปปได้เลยนั่เพราะมีข้อมูลแล้วก็มีความเข้าใจจริงไหม มีข้อมูลมีความเข้าใจก็บอกได้ทดันทีนี่เอยู่ที่ข้อมูลเร่านั้นเหมือนกุศลศีลมันกันต้องมีข้อมูลจริงๆ ม, มันมันมันไม่ใช่อย่างอย่างอย่างอย่างที่เราเข้าใจถ้าเราเข้าใจปุ๊บเดี๋ยนเดินเดินดูนกุศศีลได้ทรงตรัดสู้สักดิก์ศรีธรรมโดยธรรมที่ควรทำให้แจ้งซึ่งหมายถึงนิโรธจะแก่ความดับทุกข์ก็คือพระนิพพาน แต่ความวิจิตของกรรมนั้นไม่ได้ขยายเลยนะพอได้พูดได้หลายครั้งความวิจิตของกรรมตัวนั้นของสมุทญาสัจจะเขาเกิดร่วมกันอย่กรรมเพราะกรรมวิจิตทุกสัจจะก็วิจิตอย่างไรเนี่ยนะเพราะอกุศลกรรมคือกายวาจาใจวิจิตถึงๆก็ไม่ได้ขยายนะแล้วก็จัดสรูปไอ้นิโรดนี่นิโรดก็คือสภาวะที่ดับทุกก็หมายความว่าอย่างเราท่านทัน้งหลายก็น้อมโดยอัชฉรยะน้อมน้อมโดยอัจฉริยก็คือว่าให้่านทุกครั้งปราถนาความดับทุก หรือว่าทำจิตต่างๆเหล่านี้ทุกครัง้งใะต่างๆก็แปรถถนากุศลจิตเกิดบ่อยๆก็น้อมพระนิพพานด้วยเนี่ยน้อมการสิ้นทุกข์เนี่ยกระแสของถ้าเราใจเราน้อมเอียงไปมากขึ้นมากขึ้นเขาเรียกมีสารณะมีดำมังสาระนางก็ะฉาดเพราะนิพานพานเป็นดำ ม, มังเป็นสาระนะเป็นธรรมะเจ้าไมเป็นวัฒน์ก็น้อมน้อมดับทุกข์ถามว่ามีปัญหาพบน้อมการดับทุกข์ใช่ไหมใช่เห็นปัญหาพรบก็น้อมการดับทุกข์เห็นทุกขสัสตว์เนี่ย เห็นทุกเมลัยก็น้อมถึงพระนิพพานเห็นทุกษัตรว์เม่อลัยก็น้อมพรนิพพานจะเลนทานก็คือกุศลสิ่กุศลภาวนากุศลน้อมน้อมนิโรธาสจายไว้ในใจมากๆให้เป็นอัธยาศัยและพยายามศึกษานิโรธาสจายให้ชัดว่าตัวสภาวะของพรนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่ดับขันยังไงดับกิเลสยังไงใช่ไหมดับสังสารวัฏยังไงเมื่อจิตเราได้เข้าสัผปะรดิพานแล้วเนี่ยเราจะหดสังสารวัฏให้ต่ำลงให้เหลือน้อยอย่างไรความทุกข์ของ ปุโรชนเนะเหมือนมหาสมุทรเนี่ยนะความทุกข์ของพระโสดาบันเหลือน้ําอยู่ยเจ็ดหยดแอ่น้ำเนั้นมหาสมุทรเยอะไหมตักออกให้หมดยากไหมแต่ถ้าน้ําเจ็ดหยดเหลือน้อยเลยออู่่ไหนั่นแหละความทุกข์ของพระโสดาบันถ้าใครได้เป็นพระโสดาบันก็เหลือแค่เจ็ดหยดความทุกข์อยู่แค่นั้นเกิดอีกเจ็ดชั้งในการมาภูมิผลิตภัณฑนะ์เนี่ยในการมาภูมินี่นะแต่ใน ในรูปกระภูมนั้นเราไปว่ากันเพราะในรูปกระภุมแบบเสร็จเสร็จมากท่านจะไม่ยย้ายในนั้นในกัมพีโดย ท, ทั่วไปตรงนี้ก็ยังถกถกกันอยู่แต่จริงๆว่าในการระพมเนี่ยท่านเน้นไว้ต้องเจ็ดต้องเจ็ดครั้งถ้านในรูปกระพมเป็นด้านไปก็ตรงนั้นก็เนี่ยแต่เจ็ดครั้งนั้นเหลือน้ำเจ็ดหยดท่านจะไม่โชคอีนอท่านจะไม่โชคดี ก็หน้าโมทนาจริงนะคนที่เขาเป็นพระโสดาบันเรียบร้อ ย, เ, ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาเขาไม่ทุกข์อ่ะใช่ไห ม, มเขาขดสังสารวัตรอย่างเรานี่เป็นผู้ถูกความทุกอย่างจริงๆมีความทุกข์ไปเป็นเบื้องหน้าจริงๆนี่นะท่านพวกเราทั้งหลายที่นั่งนั่ะกัอยู่เนี่ยบางภพ บ, บางชาติเป็นอาจารย์แต่งฉันพระไตรปิฎกเนี่ยที่นั่งกันอยู่เชื่อไหมเขียนตำหลับตําราแต่งพระไตรปิฎก อัจฉริยดีดีกาในพระในพระเจ้าองค์หลายองค์ที่ผ่านแต่บางบางพบบางชาติเขาไปเป็นหอยเป็นปูเป็นท่าเป็นกบเป็นเตี้ยเป็นกระแตเป็นกระลอกเป็นอบายภูมิเป็นอบายศัสตร์บางพบบางชาติไลยเกิดท่านพระเจ้าแต่ด้วยการที่ไม่ทำวิปัสนาญาณให้เกิดขึ้นและทำลายกิเลสได้นั่นแหละมันึงเป็นโทษไม่ได้มาไหม เนี่ยมาพบนี้เหมือนจะเข้าใจคำสอนมูกฟุ้งฟอวบเลยนะจะไปอีกพบนึงก็เป็นกระจอกง่อยๆอย่างเนี้ขึ้นต่ำลงสูงขึ้นต่ำลงสูงสังสารวัตเป็นอย่างนี้ต่ำต่ำสูงสูงมันขึ้นลงขึ้นลงไปทีก็ไปนั่งฟังโยมพิเทศษโอ้โหท่านที